ภาวนามีสองอย่างภาวนาเป็นการฝึกให้จิตใจมีคุณภาพพิเศษขึ้นมากว่าปกติปกติคนเรามีใจอยู่แต่ว่าใจไม่มีกําลังทั้งไม่มีกําลังทั้งไม่ฉลาดคนธรรมดาเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเนี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆ แต่ว่าก็ยังไม่ฉลาดอยู่ดีถ้าฉลาดอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีความหมายคำว่าฉลาดนั้นแล้วแตเรายังอยู่อีกไกลนักหนาจิตของเราเนี่ยยังอยู่อีกไกลยังจะต้องฝุดอีกมากไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์ประเทศอื่นๆสัตว์ชนพวกอื่นๆ อ, อันนั้นยิ่งไกลออกไปสุดกูทีเดียว ก่าจะได้เวียนหไหวใจเกิดแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนนี่ไกลนักหนานั้หรับพวกเรามาฝึกฝนจิตใจเนี่ยนับว่าเป็นผู้ฉลาดเป็ผู้ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีสั่งสมโอกาสอันดีมาแล้วทั้งนั้นน่ะถึงได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยทีนี้การฝึกใจเนี่ยมันมีอยู่สองส่วน ถ้าเราแยกเป็นใหญ่ๆแล้วมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือฝึกกำลังให้จิตใจที่อ่อนแอนะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาให้มีกำลังพอจะต่อจะต้านกับอะไรต่ออะไรได้คำว่าอะไรต่ออะไรนี่อะไรเนี่ยก็คืออารมณ์นั่นเองแหละจิตใจเนี่ยยุ่งเกี่ยวก็ยุ่งเกียกยเก่ยวกับอารมณ์ไม่นอกเหนือไปจากนั่น เพราะฉะนั้นการที่ให้จิตใจมีกำลังก็คือให้จิตใจยืนหยัดอยู่ได้ไม่ปลิ้วไม่ปลิวไม่ส่วนเซไปกับอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ที่มากระทบอย่างเช่นอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจถ้าอารมณ์ชอบใจมันก็ปลิวกระเด็นไปสเสลิดเปิดเบิงไปกับความชอบนั่ น, นลุ่มหลงไปถ้าอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ไม่ปราถนามาแล้วก็กระเด็นไปไปโกรธไปเกลียดไปชังไปขุ่นแค้นขุ่นเครืองอยู่นั่นแหละก็มัวหมองอี่แหละคล้ายๆกับยืนหยัดอยู่ไม่ได้เมื่อเซล้มไปทางซ้ายก็ไปเพื่อนไปเปิดเอาของโสโคกเมื่อเซล้มไปทางขวาก็ไปเพื่อนเอาที่โกนไปเพื่อนเอาของโสโคกนีกแหละเป็นธรรมนองนั่นแหละก็คือว่าจิตใจมันไม่มีกําลัง ลองฝึกให้มีกำลังให้ยืนหยัดอะไรมากระทบก็ไม่เซก็ไม่ล้มใช่ก่อนให้มีกำลังเสยก่อนอันนี้แล้วก็ส่วนที่สองก็ฝึกอีกฝึกให้มีความเฉลียวฉลาดคือจิตใจเนี่ยไม่มีโอกาสได้พินิดพิดจารณาอะไรต่างๆอย่างจริงจริงจังๆสักทีคือมันไม่ไม่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้โอกาสที่จะได้พิจารณาไปถึง ถึงที่สุดถึงปลายมันไปได้เพึ่งนๆอยการก็ล่มเหลวเลยทุกทีเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้การพิจรารณาเนี่ยพิจรารณาอะไรต่างๆดูสี่ต่างๆฟังสี่ต่างๆเก็ฟังก็ไม่ถูกเรื่องอีหละคือฟังเอาจุดไม่เป็นเอาจุดไม่เป็มอันนี้เรียกว่าความไม่ฉลาดเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้เทศสอนเอาไว้ตรัสสอนเอาไว้เรื่างการพิจรารณาพิจารณาสิ่งต่างๆให้พิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกครังเป็นอนัตตาถ้าเราจะพิจารณาเรื่องอะไรอย่างเช่นเสียงมากระทบนี่เราพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังคือมันไม่อยู่อย่างนี้มันไม่คงทนอย่างนี้ มันไม่เสียงอย่างนี้ตลอดไปหรอกหน้าเดี๋ยวมันก็ค่อย ๆ, ๆเปลี่ยนไปแล้วเป็นเสียงอื่นหรือไม่ก็ค่อยๆหมดไปแล้วเสียงนี้เน่ะไม่อยู่นานหรือจะเป็นเรื่องรูปสวยชอบใจมาท่านก่อนที่จะนามเป็นอนิจจังคือมันไม่อยู่สวยอย่างนี้นานเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วสวยเนี่ยและไม่นานด้วย เป็นทุกขังเป็นทุกขังคือความที่ต้องทนต้องอยู่ของมันนั่น่ะของรูปนั่นมันก็มีอยู่ในนั้นพยายามจะทรงจะทนอยู่ให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันสวยอย่างนั้นอยู่มันก็ทนไม่ได้ความทนมันมีอยู่ถ้าเราไปขืนเอามาแบกเมื่อไหร่เอามาแบกเมื่อไหร่มันก็หนักอยู่ในนี้สิคือเป็นทุกขัง ทุกขงังถ้ามันอยู่ตรงโน้นดีกว่าอย่าเอามาแบกเลยแล้วก็มันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเน่ยมันไม่ใช่ธุระหน้าที่อะไรของจิตของใจของเราเลยที่จะไปเอามายุ่งมาเกี่ยวมายึดจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้นะซึ่งถึงจะเอามาคิดว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็น อ่าไม่เป็นแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างของมันนั่นแหละมันไม่เป็นอย่างเราหรอกนั่นอันนี้คืออนัตตาคือในที่สุดแล้วเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของอะไรของเราไม่ใช่โครงการอะไรของเราเลยถ้าเนี่ยพิจรารณาสิ่งต่างๆอย่างนี้เห็นไปไหนทั้งทุกทังอนัตตาอันนี้ก็เพราะว่า พวกเราพิจารณาไม่เป็นท่านเลยสอนว่เลยบอกไว้บอกว่าใ้าจะพิจารณาแล้วพิจารณาอย่างนี้นะมันถึงจะถึงที่สุดถึงปลายถึงที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามเมื่อเป็นถึงอนัตตาแ ล, แล้วแล้วก็ความที่จะต้องมายุ่งมาเกี่ยวอะไรกับจิต ด, ดวงนี้กับใจดวงนี้น่ะหมดทันทีเลยเพราะอะไรก็เพราะมันไม่ใี่น้าที่ ไม่ใช่กิจกรรมกิจกา ร, รอะไรของจิตที่จะไปเอาเรื่องเอาราวไปผูกไปรั้งไปยึดไปถือไว้มันเป็นคนละเรื่องคนละอย่างกันมีความฉลาดอย่างนั้นแต่ก่อนนี้มันไม่ฉลาดมีแต่จะเอาคิดดูซิว่าความไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดยังไงจิตเนี่ยอยู่ดีๆตรงนี้เน่ะพออารมณ์อะไรมาก็เห็นตามไปแล้วกระโดดไป ต, ตาม ไปตามเสร็จแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนะไปยึดออกมาทั้งทั้งที่เขาไมา่เอาเขาไม่มาก็ไปยึดไปรั้งไปดึงอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องผรักเรื่องไปรักเรื่องรักเรื่องต้นชอบก็ไปดึงออกมาเรื่องต้นไม่ชอบก็ไปดึงออกมาลองคิดดูสิเนี่ยมันฉลาดหรือมันโง่เนะี่ยเรื่องไม่ชอบน่าจะไม่เอามาทิ้งเสียนะ่ะนันก็ไม่เอาอย่างนั้น มันก็ยังเอามาลองคิดดูนี่ละคือความไม่ฉลาดของจิตละทีนี้ถ้าจะบอกเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่เคยจะยอมจิตเนี่ยมันก็ไม่คยจะยอมมันก็บอกว่าน้าต้องเอาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่พอใจก็ต้องเล่นงานมันต้องจัดการให้สาสมอะไรอย่างนี้ถ้ารักก็จะต้องยึดเ้อาไว้ต้องรักต้องลุ่มต้องหลงต้องครัวต้องพัน ความคิดความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นอยู่ในจิตในใจทีในี้ถ้าถ้ามันจะฉลาดมันจะทำยังไงมันจะต้องฝึกให้มีความยืนหยัดซะก่อนความยืนหยัด ก, ก็คือกาลังที่พูดในตอนแรกนะั่นะมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วถ้าเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าบอกมนาะพิจารณาไปทางนี้นะไปคิดนี้ไปคิดอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย มันก็พิจารณ า, าไปได้ตลอดไม่ใช่พอไปขึ้นขึ้นกลางๆแล้วก็เลยทนความรักทนความชังไม่ได้ล้ลมและเนและนาบไปอีกไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นนมันยังไม่แข็งแรงถ้าจิตแข็งแรงแล้วมันก็ไปต่อได้อีกนูน่นไปถ้าแข็งแรงเปลี่ยนพอกําลังเปลียนพอทะลุลไปถึงนู่นเลยไปถึงในที่สุดแล้วไม่ใช่งบการอะไของข้าก็าเลยสลัดหลุดได้ เกิดความเข้าเข้าใจขึ้นมาจริงๆกั น, จ, นจังได้มิฉะนั้นเราไม่ไ ม, ไ, มไม่ถึงหรอกไม่เข้าใจหรอกพอล้มลงไปในด้านรักในด้านชังแล้วก็แองแมงอยู่นั่นแ่ะจิตไม่ได้อย่างนั้นวันนี้เรามาพิจารณาถึงเรื่องเรื่องเอาเรื่องอนิจจังนี่แหละร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดไกลไกลออกไปมันตรงนึกออกลําบากเอากายของเราเนี่ะ กายของเรานี่ยเป็นเป็นอนิจจังจริงๆเป็นอนิจจังเป็นทุกครั้งเป็นอนัตตาอย่างที่ท่านว่าจริงๆลลองคิดดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่แหละความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออนิจจังคือหมายความว่ามันไม่ได้อยู่อย่างนี้ไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเรื่อยไปเรื่อยเป่าไม่ใช่ยอย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ ก็เพียงขณะนี้เท่านั้นไปอีกสักหน่อยมันก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งแล้วอย่างปีนี้กับปีหน้าจะต้องต่างกันแน่นอนปีกลายกับปีนี้เราเห็นแล้วเนี่ยการเวลาผ่านไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนี่คืออนิจจังเราตั้งใจอยากจะให้มีความแข็งแรงเ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็ม แ, แข็งแรงอยู่อย่างนั้น แต่มันก็ไม่อยู่นั่นแหละมันเปลี่ยนแปลงไปน่ยเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นทุกขังคือมันมีความทรงอยู่ไม่ได้ทรงอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้มันมีความดิ้นรนเหมือนกันแต่ก็ดิ้นรนก็สู้ไม่ได้นั่นแหละคือความฝืนความฝืนนั่นแหล ะ, ค, ค, ค, นนหละคือลักษณะของทุกข์ถ้ามันฝืนอยู่ตรงนู้นมันก็พอทําเนาถ้ามันฝืนอยู่ที่ร่างกายนู้นไม่มาเกี่ยว ถ้ามันใจนะเอามาเกี่ยวเมื่อไหร่มันจะเกี่ยวบอกว่าจะไม่ให้มันแก่อยากจะให้มันสาวอยากจะให้มันหนุ่มอยู่อย่างนั้นอยากจะให้มันแข็งแรงอยู่อย่างนั้นแหมมันก็มาหนักเลยที่ก็มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วนี้มันก็มาหนักอยู่ที่ใจแหละมาเดือดร้อนมาทุกข์อยู่ที่ใจนั่นแหะความเป็นทุกข์มีอยู่ในนีนน่ในร่างกายเนี่ยมีใครมั่งเรา อยากแก่นะ่ะมีใครมั่งอยากเจ็บไข้ได้ปวด่วนไม่มีเมื่อได้ร่างกาย น, นี่มามีแต่จะเอาหายเท่านั้นแหละจะเอาไม่แก่พยายามหาวิธีการต่างๆหายุ่หายาหาวิตามินมากินมาบริโภคเพื่อบํารุงมันไว้แล้วความเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็พยายามไปหายามารักษาว่าจะเอาไว้ทรงไว้ไม่นําข้ามบางคนจะเอาให้ ของขึ้นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นในร่างกายเนี่ยให้แข็แงแกรงแรงมากขึ้นแท่ที่จริงละมันหาเป็นอย่างนั้นไม่การเวลาเปลี่ยนไปผ่านไปเนี่มันจะถึงความสุดโตมความเปลี่ยนแปลงสุดโมลรงเรื่องผู้ที่พยายามจะฝืนเนี่ยก็เลยทุกเลยเป็นทุกแล้วนี่การที่มันไม่ยอมเชื่อฟังจิต ลองคิดดูสิมันเชื่อฟังไหมร่างกายหรอมันเชื่อฟังไหมเราต้องการไม่แกะ่เนะ่ไม่ต้องการสักคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องการไหมไม่ต้องการสักคนไม่ต้องการสักจิตพวกเรานี่แหละไม่ต้องการสักคนมันก็ยังเป็นไป น, นั่น่นละทำไมแล้วยไม่คิดบ้างว่าเออเนี่ยเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของแกจริงๆเลยแกมันไม่ยอมเชื่อค่าเลย ขาดของการอย่างนี้แกก็ไม่ไม่เอาด้วยไม่ไม่ยอมอมันเป็นเรื่องของของแก่จริงๆทำไมเราไม่คิดอย่างนี้บ้างเราลงมาพิจารณาร่างกายเรานี้เจ็บไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายหรอกแต่ก็มันตายที่สุดในที่สุดตายในที่สุดแก่ในที่สุดเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นนรนเราลงมาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าร่างกายเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นนันตตาจริงๆทีนี้เราพึ่งได้ที่ไหนร่างกายพึ่งไม่ได้หาสาระอะไรก็ไม่ได้เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเรานึกว่ามันดีแล้วพยายามทำนุบำรุงอย่างดีรักษาอย่างดีที่สุดมันก็ยังไม่ยอมในที่สุดจะต้องจากต้องสูญสลายรักษาไว้ไม่ได้ ไอ้ที่ว่าคิดว่าจะให้ดีขึ้นนะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่จะรักษาเพียงว่าเสมอตัวให้อยู่ขนาดนี้อย่างนี้นะอย่าชุดโทมต่อไปนะมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ได้อันนี้ล่ะคือลักษณะเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาคำว่าถึงความเป็นอนัตตาคือความมันเป็นเรื่องของมันนะ่ะจะถึงที่สุด ข, ของความเห็น ความเห็นต่อสิ่งต่างๆถ้าลงเป็นอนิจจังถึุกขังเป็นอนัตตาถึงที่สุดแล้วแล้วก็หมดเรื่องกันเลยหมดเรื่องกันทีนี่ความเห็นอันนี้ถ้าเราชินิพิจารณาโดยจิตที่มีความสงบโดยจิตที่มีกําลังขนาดนึงเราก็จะมีความเข้าอกเข้าใจในระดับนึ่งอาจจะเป็นระดับอยู่ในหัวสมองในมันสมองนี้ ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดในแง่อย่างนี้ในทิศทางอย่างนี้เลยไม่ได้เคยเข้าใจอย่างนี้เลยแต่ถ้าจิตเราสงบอาจจะไปสงบฟังเทศของลงปูบ้าแล้วก็มาได้แง่คิดเลยมันจริงจริงจริงร่างกายที่เราคิดว่าอยากจะให้มันเข้ม แ, แ, แข็งแข็งแรงขึ้นมันก็ไม่เข้ม แ, แข็งแข็งแรงขึ้นเลยมันมีแดดจะซุดไปเรื่อยอยากจะให้มันอยู่เสมอตัวมันก็ไม่เสมอตัว ในที่สุดสรุปแล้ ว, วมันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักนิดเดียวเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นมันเป็นอนัตตาคือมันไม่เชื่อฟังเราเลยเนี่ยในที่สุดก็สรุปในสรุปในหัวสมองนี่สั่งในความคิดในสมองนี่สัองแต่มันยังไม่ลงถึงใจถ้าไม่ลงถึงใจตตดใบใจมันก็ยังไม่ยอมพอไปถึงที่สุดจวนแจก็มาแล้วเอาอิละ ใจมันก็ยังยึดเหลือะยังจะเอาคืนไว้อยู่นั่นเน่ในจิตใจเนี่ยไม่คยจะยอมเราจะต้องฝึกให้จิตใจมีกำลังกำลังต้องเทียบต้องพร้อมสติน้งประชัญญะสมาธิต้องเทียบพร้อมเข้มแข็งจริงๆเมื่อมาพิจารณาแล้วเมื่อกล้จะถึงที่สุดหรือว่าไปจวนแจเขา้า ถ้าจิตสงบยืนหยัดอยู่ได้ความเห็นอันนี้จะเข้าไปฝังอยู่ในจิตจริงไม่จะอยู่แค่ความคิดหัวสมองเท่านั้นเปล่ามันจะเข้าไปอยู่ในจิตจริงเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตจริงจงแล้วอั น, นั่นละ่ะเป็นที่พระพุทธเจา้าหรือครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะท่านต้องการให้พวกเราได้ให้พวกเราเป็นมีความเห็นอย่างนั้นอยู่ในจิตในใจจริงจริงนั่นแหละ จึงจะไม่ยึดไม่ถือได้มิฉะนั้นหัวสมองคําพูดนี่มันไม่ยึดจริงแต่ว่าใจมันยึยดอยู่มันยากตรงนั้นแหละตรงที่เราจะทําให้ความเห็นต่างๆความเฉลียวฉลาดอย่างนี้นะ่ะมันเข้าไปอยู่ในใจเมื่อความเฉลียวฉลาดอย่างนี้เข้าไปอยู่ในใจแล้วใจจะมีที่ตึงหรือจะมีที่สําหรับจะชิด ในขณะนั้นจะทรงจิตทรงใจด้วยอย่างไรก็จะมีที่หละ่ะถ้านี้เนั้นแล้วต้องยิ่งว่อนไปแต่หาที่จะพึ่งจะพีละไปนั่นคว้านี่ตามเรื่องตามเราไปอย่างเก่าอีย่างเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราพิจารณาเรื่องกายไปแล้วกันนี่หนาเรื่องกายแล้วนี่เราอยากจะให้มันดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้น เราอยากจะให้มันแค่เสมอตัวละอะไปดีขึ้นล่ะมันก็ไม่เสมอตัวมันนีแต่จ ะ, จะไปเรื่อยจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยเราคิดว่าเอาละขนาดนี้ขนาดนี้เราพอเอไม่ดีขึ้นก็เอาละเอาขนาดนี้แหละมันก็ไม่ยอมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่ให้พิจารณาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปมันไม่อยู่นิ่งอันนี้เป็นอนิจจังพิาจารณาเถอะร่างกายเราเมื่อเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้มุกเป็นอย่างนี้ทุกอย่าง ไม่มีอะไรรอดไปจากกฎไตรลักษณ์นี่ได้ลงนี่หมดเพราะนั้นพิจารณากายนี่แหละเพราะว่ากายมันอยู่กับเราเราจะไปนอนที่คุติเราจะไปนอนที่บ้านที่สี่พักเร่จะเดินไปเดินมาไปเข้าห้องหน้ำห้องท่วงที่จะนั่งอยูย่เฉยๆมันก็อยู่กับเราเนี่แหละเราพิจนารณาเขาอันนี้แหละเป็นอุปกรณ์ถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องไกล บางทีมันต้องคิดไปมาสะก่อนพอดีพอไล่คิดไปคิดมาแล้วแบบจิตใจก็โลเลก็ไปคิดเรื่องเลยเดียวเลยไม่สําเร็จให้เอาเอาตรงเนี้ยเอาร่างกายเนี่ยมาพิจรารณาแต่ว่าพิจารณาต้องให้พิจรารณาตามทิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกถ้าไม่ถูกทิศถูกทางแล้วมันไม่ไปถึงที่หรอกเหมือนอย่างเราจะไปสีเชียงใหม่นี่แหละออาพอออกจากประตูวัดเลยเลี้ยวขวามันจะไปถึงได้หรือสีเชียงใหม่น่ะ มันไปถึงเอเภอสังคม น, นู่นสิมันต้องเลี้ยวให้ถูกทิศทางการพิจารณาเนี่ยเหมือนกันร่างกายพิจรารณาร่างกายเนี่ยถ้าพิจารณาไม่ถูกไปเห็นว่าเออมันแข็งแรงมันน่ารักนี่แต่พิาจรนารณานอย่างพระพุทธเจ้ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขงังมันเป็นอนัตตาพิจรนารณานอย่างนี้จึงจะถูกจึงจะพ้นได้อันนี้ ฟังเพลงของหลวงูก่กันนั่งภาวนานก็หมดใจให้ดีๆ